วิธีมอบจีวรและบาทให้และกรรมวาจาสำหรับมอบให้ภิกษุทั้งหลายสงพึงให้จีวรและบาดอย่างนี้คือภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้นั้นพึงเข้าไปหาสงแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสามเณรชื่อนี้มรณภาพแล้ว นี้คือจีวรและบาทของเธอภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติทุติยกรรมวาจาวา่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสามเณรชื่อนี้มรณภาพแล้วนี้คือจีวรและบาทของเธอถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้จีวรและบาทนี้ แกภิกษุผู้พยาบาลสามเณรไข่นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสามเณรชื่อนี้มรณภาพแล้วนี้คือจีวรและบาทของเธอสงฆ์ให้จีวรและบาทนี้แกภิกษุผู้พยาบาลสามเณรไข่ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้จีวรและบาทนี้ แกภิกษุผู้พยาบาลสามเณรไข้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงสงให้จีวรและบาทนี้แก่ภิกษุผู้พยาบาลสามเณรไข้แล้วสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติ อย่างนี้